วัน <c oughs> วันนี้เริ่มต้นอนธะิษฐานเข้าพรรษาของพระสงฆ์องค์เจ้า <c oughs> ตลอดถึงสามเณรแม่ขาวนงางชีญาติโยมทุกคนนะถือวัดเขาใหญ่ริเธรทมญาณสมปนโนนี่เป็นเฉตมีเฉตเขตของวัดอยู่ยังไง ถ้าเผื่อไม่มีความจำเป็นอย่าออกจากเขตวัดช่วงระยะใกล้ลงที่จะตะวัง <c oughs> ที่จะตะวังเป็นวันใหม่นะสมมติว่ามีความจำเป็นที่จะออกจากวัด ไปสว่างที่เอื่นเขตของวัดนั่นน่ะอันนั้นท่านว่าต้องมีสัจจาอธิษฐานสัตหะไปได้การเวลาที่สัตหะนั้นมีเวลาอยู่เจ็ดวันแล้วกลับก็ามาความจำเป็นตรงนี้ต้องถือเป็นสัจจะอธิษฐานความผิด ก็คือเป็นสิ่งที่ไม่ดีความบกพร่องฉะนั้นเมื่อกฎระเบียบ <c oughs> ท่านว่าไว้อย่างนั้นแล้วก็รักษากฎระเบียบเพื่อความดีให้เกิดขึ้นกับเรามีความสมบูรณ์ฉะนั้นกดระเบียบวินัยเรื่องเอินก็ดูไปศึกษาไปฟังไปศึกษาไปนั่นแหละ โดยเฉพาะพาน้องพานมพารุนโลกรุนหลาน <c oughs> การเวลามาบวชการเวลาที่จะศึกษาเรื่องธรรมวินยัยโดยเฉพาะเรื่องศีลยังมีเวลาน้อยฉะนั้นพากันเอาใจใส่ถ้าใครยังไม่ได้ศึกษายังไม่เข้าใจศีลสองร้อยยิบเจ็ดข้อนี่ยท่านห้ามอะไร ถ้าเผื่อร่วงเกินไปแล้วมารู้ตัวทีหลังในมันไม่เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรจากนั้นอ่าท่านห้ามอะไรเดี๋ยวปาลาแล้วซึกเสียร่วงเกินข้อใดข้อหนึ่งขาดจาความเป็นพระท่านห้ามอะไรบ้างสังขารที่เสีย 13, ที่สามทอดลดน้อยดงท่านห้ามอะไรบ้าง อานิยสองนิตกงีปาจิตีสามติปาจิตีเก้าสิ92องข้อปฏิเทตริ ย, ยตีเสยเจวเจ็ดิห้าอาธิกรณะสมถาเจ็ดรวมแล้วเป็นสองยี่เจดข้อท่านห้ามอะไรการรักษาเนี่ยสรุรปลงมาแต่ว่าทติวินโยดาตบโบ เป็นผู้มีสติเดิเลกดูกหน้าที่ของตัวเองอยู่ในขอบเขตความถูกต้องคือหลักของเซนของธรรมอีกเรื่องหนึ่งให้พวกเราทำความเข้าใจตรงนี้เ <c oughs> ทศการเข้าพรรษา เป็นการเป็นเวลาที่พวกเราจะเพิ่มความดีบุญว่าจนาบารมีของพวกเราอธิษฐานภรษาสามเดือนนี่นะการตั้งสัสจจะอธิษฐานจะรักษามีความภาคความเพียนรักษายัางไงปฏิบัติอย่างไงเจียเจ่ยวแจกเซียน เกี่ยวแจกกับการทำความภาคความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาต้องเอาใจใส่ตรงเนี้ยเป็นการเป็นเวลาที่พวกเราจะตั้งใจทำความภาคความเพียรตั้งแต่ก่อนสมัยผมนะ่นะยังเป็นผ้าน้อยผ้านุ่ม สัจจะอธิษฐานนี่โดยเฉพาะทําความภาคความเพียรอดอาหารอดนอนผ่อนอาหารเนี่ยต้องถือเป็นจริงเป็นจังอดนอนผ่อนอาหารมันเคยนอนบางครั้งบางขาวไม่นอนทั้งวันทั้งทั้งคืนตั้งใจทําความเพียร เคยฉันอาหารวันละครัวันละเมือ่อกระอดเอาบางช่วงสองวันสามวันสี่วันห้าวันหรืออาทิตย์หนึ่งหรือเคยฉันเอมแบ่งฉันอาจจะครึ่งหนึ่งทำไมจึงมีการปฏิบัติลักษณะนั้น ความเป็นธรรมชาติ น, ะน่ะสุขภาพร่างกายอย่างน้อยอยังหนุ่มร่างกายแข็งแรงมันเป็นเสริมกิเลสมันไปเสริมตัณหานะไปเสริมกำลังกิเลสไปเสริมกำลังของตัณหา เ, าเรื่องของเรื่องน่ะฉะนั้นจึงมีความจําเป็นทำความภาคความเพียรเพื่อให้จิตใจมีสติมีสมาธิ ให้เห็นคุณค่าจากศีลสมาธิสติปัญญาเนี่ยต้องฝึกนั่งสมาธิทำใจให้มีความสงบถ้าใจมีความสงบเป็นสมาธิความสุขธรรมชาติน่นะมันจะเกิดขึ้นพวกเราได้ศึกษาจากตำราคำสอนของพระพุทธเจ้า ศัพท์หนึ่งที่พวกเราจํากันอยู่คือ น, นาถิสันติพลังสุขขังความหมายภาษาลาวก็โุกเอิ้นยิ่งกลัวความสงบของจิตใจไม่มีแล้วในโลกมนุษย์อันเนี้ยฉะนั้นพวกเรามนุษย์คนเราอยู่ในโลกชาติชั้นบรนนาไหนก็ตามอยู่ในโลกมนุษย์ได้ก็เพราะเห็นว่า มนุษย์คนเรามีความสุขกายสบายใจเกิดจากสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ใช้แล้วกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ใช้แล้วมีความสุขความสบายสุขกายสบายใจฉะนั้นจึงมีการ คีเวสความเป็นอยู่จึงไม่อยากจะหนีไปไหนเยิดติดคล้องอยู่ในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แต่แล้วในเมื่อฝึกใจให้เป็นสมาธิความสุขที่เคยผ่านมาในโลกมนุษย์เนี่ยอยู่จินหลับนอนสัมผัสในรูปเสียงจินรสอะไรก็ตามแต่ความสุขประเภทนั้นอะ่ะมันมาใกล้กับ เทียบกับความสุขที่ใจเป็นสมาธิเทียบกันไม่ได้เลยแต่นแหะพวกเราถ้าเผื่อเป็นไปได้มีวาจนะบารมีความดีตรงนี้พวกเรามองไม่เห็นไม่มีอะไรเป็นเครื่องวัดโอกาสการเวลาที่พวกเรามาฝึกมาปฏิบัติพระกตั้งใจฝึกทำสมาธิตรงนี้ให เห็นผลเกิดขึ้นแบบธรรมชาติความสุขแบบธรรมชาติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเถอะนี่คือหน้าที่ของพวกเรานอกจากนั้นพี่น้องญาติยอมหรือแม่ขาวนางชีน่ะนะนะ <c oughs> และ้วก็รู้รู้ของเราอยู่ว่าภายในจิตใจของเรา่นะ่นะ มันยังมีกิเลสมีโลภมีโกรธมีหลงมีตัณหาความทะเยอทะยานยากมันมีอยู่ที่ใจสิ่งเหล่านี้มันเป็นเพชรมันเป็นภัยเจตใจมีความทุกข์มากน้อยไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องไก่มันทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสตัณหานี่ทั้งนั้นฉะนั้นเรา ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสิ่งเหล่านี้เราไม่งสงสัยมันมีในจิตใจของเราจริงๆแล้วปัญหามากน้อยความทุกข์มากน้อยมันก็เห็นได้ชัดในจิตใจของเราดังนั้น่ะไม่มีวิธีอื่นทางอื่นจะ ทำให้กิเลสตัณหาที่มันมีอยู่ที่ใจเบาบางออกจากกิจใจของเหลาลงได้นอกจากอำนาจของศีลของสมาธิตั้งใจทำความภาคความเพียร ง, งดเวทในอารมณ์ของกิเลสงดเวทในอารมของตัณหาจึงมีการตั้งสัด จ, จะบารมีความดีส่วนเนี่ย ความดีส่วนนี้จะกลายเป็นวาสนาบาลมีความดีของพวกเราจนถึงที่สุดเข้าสู่มรรคผลนิพพานเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าพระอาเรียเจ้าฉะนั้นถ้าเผื่อพวกเราจิตใจยังไม่ถึงตรงนั้นพวกเราก็จะเวียนว่ายตายเกิดเพพบน้อยพบใจอยู่นี่แหละ ถึงจะเวียนไห้ตายเกิดอย่างน้อยๆก็ขออยู่ในฐานะของความเป็นสมบัติเอย่างน้อยๆเป็นมนุษย์มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเป็นเทวตรเทวดาเป็นพระอินทร์พระพรหมเกิดขึ้นมาได้เพราะอะไรสิ่งเหล่านี้มีได้เพราะอะไร มีได้เพราะใจของพวกเรานี่มาเรียนรู้เชื่อมั่นคำสอนพระพุทธเจ้าที่พระองค์สอนว่าบุญมีจริงบาปมีจริงพบนี่พบหน้าชาติหน้ามีจริงเมื่อมีจริงแล้วพบหน้าชาติหน้าความดีอันนี้จะเป็นทุนเป็นกำไรกับเพราะพวกเรามาสร้างความดีทำความดีปฏิบัติความดี ปัจจุบันในขณะนี้พบานี่ชาตินี้ฉะนั้นโอกาสการเวลาที่พวกเรา <c oughs> ได้มีเวลามาศึกษามาฝึกมาปฏิบัติจึงนับว่าเป็นผู้โชคดีตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเจตดฉอมนุษย์สัิลาโภ การเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ได้บุญพามาเกิดได้เป็นผู้มีโชคมีลาภอย่างประเสริฐแล้วถึงจะเกิดเป็นมนุษย์ก็ตามมโหหะความหลงกิเลสตัณหาแน่นอมีอยู่ที่ใจไม่ได้มีโอกาสมา ศ, ศ, ศรรมึกษามาได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้ามีมากขนาดไหที่คนเกิดขึ้นมาในโลก เย่งไปอยูิในถ้ำกลางของศาสนาอื่นลัทธิอื่นเย่งไปกันใหญ่เลยฉะนั้นโอกาสพวกเรา <c oughs> ยังมีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วได้มาเจอมาเจอคําสอนของพระพุทธเจ้าจดจังธรรมสวัณงได้มีโอกาสได้มาได้ยินได้ฟังมาศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้า มีโอกาสลักษณะนี้เป็นเพราะอะไรจิีฉังมัจจาชีวิ ต, ตังพวกเรามีอายุชีวิตผ่านมาตั้งแต่วันเกิดจนถึงปัจจุบันในขณะนี้ลองย้อนนึกบุคคลบางคนบางหมู่บางคณะนะทั้งที่เกิดที่หลังตัวเองนี่แหละตายไปกั น, นับไม่วน แต่พวกเรามีโอกาสการเวลามีชีวิตความเป็นอยู่มาถึงปัจจุบันและก็มาได้ยินได้ฟังมามีตถาคามเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกด้วยจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แต่ละพระองค์กลัวจะได้ตราตรโลเป็นจาตราเอง เป็นพระพุทธเจ้าสอนเทวดาและมนุษย์ยากแสนยากนะสร้างบารมีนานอย่างพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันสร้างบารมีมาสี่อสงไขยแสนกับดูสินะ น, นะกลัวจะได้มาตราตรูนั่นนะที่สร้างบารมี ชาติสุดท้ายเห็นได้ชัดเมืใ่ใใจหรือพระเพื่อพวกเราศึกษาฟังพระเวสสันดรขาะที่พระองค์เป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เสียตะดาจาคะไม่จะเพราะฐานะที่เป็นเชื่อชาติเจ้าฟ้ามหากษัตริย์นะพะนางพิมพาปัญาญานะั่ยนะ กระทานได้หมดแม้แต่ลูกสามารถทานได้หมดเลยปัจจัยเครื่องอัสอะไรทุกอย่างเสียดาะจาระทานได้หมดเลยลองนึกมนุษย์คนเราใครจะทำได้เอสิ่งที่ตัวเองมีขวางหวงแหนรักนี่คือความเป็นธรรชาติ ในเมื่อพระพุทธเจ้าทำเพื่อเป็นการสร้างบารมีจาคะเสียจละละปล่อยวางขนาดลูกตัวเองยังทานมีพ า, ามแก่ไปขอพระองค์ท่านเองทานให้พระชายาก็ทานให้ใครจะตัดสินใจได้ ถึงขนาดนั้นเนอะจนั้นาการเสียตล า, ลาดลักษณะเนี่ยยังชาติจุดท้าย <c oughs> ถึงจะเกิดเป็นฐานะเจ้าฟ้ามาหากษัตริย์พระองค์ออกบรรพชาอุปสมบทก็เสียตลาแบบเดียวกันนั่นะ เสียทละอะไรทุกอย่างความสุขที่มีชีวิตความเป็นอยู่ของความเป็นคราวญาเป็นมนุษย์เสียสละหมดเลยเห็นได้ชัดเวลาพราะองค์ออกบรรพชาแล้วไปนั่งพำนาที่ไหนตามป่าสมัยนั้นน่ะมีใครจะมีจัทตาหาเครื่องใช้เครื่องสอยที่นั่งที่นอน เหมือนยกนี้สมัยมนี่ไม่มีเมื่อไม่มีก็ตามเกิดตามมีมียังไงก็ใช้อย่างนั้นน่ะทิเนียล้ายก็ว่าเป็นคนทุกข์คนจนทุกข์อนาถาทุกข์ยากระบากกากกรรมที่นั่งที่นอนที่อยู่ที่กินแต่ถึงยังไงยังไงก็พระพุทธเจ้าไม่ได้ถือเป็นเรื่องกังวลในลักษณะนั้นหาทางที่ จะทำให้ใจิตใจเป็นสมาธิได้จากนั้นหาทางวิธีการที่ให้เป็นสมาธิเพื่อให้เห็นความสุขแบบธรรมชาติเนี่ยที่เนี่ยด้วยวาจนาบา ร, รมีความดีตรงเนี้ทำให้พระองค์ท่านสมัยยังทรงพระเยาว์เคยตามพระราษฎปิดาไปทำพิธี แลกนาขวาัญนั่งอยู่ใต้ลมไม้อยู่คนเดียวอยู่เงียบเงียลมหายใจเข้าลมหายใจออกเอาอันนี้เป็นเครื่องสำนึกความรู้สึกหรือว่าเอาลมเป็นที่ตั้งนึกความนึกความคิดไม่คิดไปดื่นด้วยวาตนาบารมีความดีหรือเกิดเป็นความอัศจรรย์ ใจของพระ อ, องค์ท่านยังยงยังทรงพระเชาอยู่น่นเป็นสมาธิอำนาจความเป็นสมาธิเกิดลิดเดชขนาดไหหรือว่าต้นไม้ที่พระ อ, องค์ประทับนั่งนะ่นั้นตะวันบ่ายตามปกติแล้วลมไม้ตรงสายไปตามตะวันอันเนน ตะวันจะไปใดตอนล่มหมายเยียงเที่ยงตรงอยู่นั่นแหละนี่ความเป็นอัจจรร์อำ น, นาจของวาทนาบารมีความดีจากนั้นพวกเราได้มาเจอมาเจอที่พระพุทธเจ้าสร้างบารมีเพื่อจะได้เป็นศาสตราเอกสอนเทวดาและมนุษย์ตั้งหยนะว่าโชคดีของพวกเรา มีโอกาสมีเวลาเฟือเธอปฏิบัติเถอะตรงเนี้ยฟังให้เข้าใจงานของนักบวชงานของผู้ปฏิบัติธรรมก็คือเห็นสิ่งที่มันก่อให้เกิดทุกทางจิตใจร่างกายอันนั้นคือกิเลส น, นหาฝ่ายต่ำฝ่ายชั่ว งานเพื่อทำลายงานเพื่อจำระล้างคืนการทำวมภา ค, ควาวมเพียรมีอธิษฐานจิตอยู่ในลักษณะไหนเพื่อเป็นจัจจะตั้งใจอยู่กับความเป็นธรรมเอาชนะกิเลนสตถาได้มากน้อยขนาดไหนอันนี้คืองานของพวกเราฟังแนวทางปฏิบัติ ดันั้นนะถ้าเผื่อพวกเราฟังไปเข้าใจจะเห็นว่าบวชมาแล้วไม่มีความหมายบวชมาไม่มีประโยชน์จริงๆแล้วงานอย่างที่พวกเราฟังจากการปฏิบัติขององค์หลวงตาหรือครูบาอาจารย์องค์อื่นท่านฝึกท่านปฏิบัติมาเห็นคุณค่าจากการฝึกเข็นคุณค่าจากการปฏิบัติ แค่ไม่สงสัยผ่านเข้าใจแนวทางฝึกแนวทางปฏิบัติสร้างความดีหรือว่าสร้างวาจาบาได้มีให้เกิดขึ้นมีขึ้นกับพวกเราทุกท่านทุกองค์ทุกคน เ, เห็นว่าวันนี้พอสมควรเจเวลา <c oughs> เลิกเปลี่ยนในบทงคงไค่ของเราเอาพูดถึงว่าเ <c oughs> วลาลงตลาดนะเอาเริ่มแล้ว วันเดียวันเข้าพรรษาวันต่อไปอยากจะขอเปลี่ยนเป็นเวลาสองทมเพราะเวลาระดูเนี่ยท่มหนึ่งยังไม่เมื่อื่เลยเอาเปลี่ยนป เ, เป็นเวลาสองทมจ้าลองดูที่เวลาสองทมรงสลาไหวพระธรรมวัดนางสมาธิวันต่อไปอผ่านรับทราบเอาไว้ทั้ง พระสงฆ์องค์เด่นแม่ขาวนางขีญาติโยมทุกค น, นบอกกันเ <c oughs> นาะญาติโยมเลิกไปก่อนเปลี่ยนี่บทด้วยเนี่ย <c oughs>